อันเพื่อนพิสูจน์สมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รักสำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถนไมลานเปล่ากับเถนไม่มีใบลานเรื่องก่อนนี้เาเพาะเถนไมลานเปล่าอย่างเดียวแต่ก็บางเอิญไปพบเถนไม่มีใบลานเข้าจึงเป็นผ้ารหันได้ แต่สำหรับวันนี้เทนไบร์บลันเปล่าพยายามกว่าองค์ก่อนมากองค์ก่อนท่านดีมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวพยายามฝึกฝนตนก็ได้เป็นพระอรหันต์ละมณทิติได้ <c oughs> แต่ว่าเทนไบรลันเปล่ารุ่นนี้ไปเจอเทนไม่มีเวลาที่ดีกว่ากรบนินทาเทวดา นี่ความจริงนักบวชที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่บรรดาญาโยมพทบริ ษ, ษ, ษัทหลายโดยทุนน้ายอมรับนับถือดีไม่ดีก็จะไปเจอเอาเถ็นเร็วแบบนี้เข้าถ้าครบเถ็นเร็วเราก็เร็วไปตามเถนถ้าครบเถ็นดีเราก็ดีไปตามเถน เห็นดีเห็นเลวในพุทธศาสนานี่มีทั้งสองอย่างแล้วก็มีทุกสมัยแต่เห็นเลวประเภทนี้มีสมัยพระพุทธเจา้าและท่านก็นดูต่อไปว่าเห็นสมัยปัจจุบันที่เลวแบบนี้มีไหม <c oughs> เรื่องนี้ก็มีว่าพระพุทธเ จ, จ้าท่านตรัสรารกเรื่องบุญขอโทษเรื่องอะไรหายไปแล้วสิ เรื่องเทนดีเทนเลวนะคือพระอุทานพระองค์นี้ท่านอยู่ในป่าอยู่ในป่าองค์เดียวเดี๋ยวเรื่องทัานโดดหายไปไหนหนะังสือโดดแป๊บไหนผมก็ไม่รู้วิเศษวิโสผมก็ถือตำราไม่กันถ้าถือตำรายังไม่พอแล้วก็วางตำราบ้างถือตำราบ้งาบงตามเรื่องตำราของผมชิมมขอโทษเมื่อกี้หนังสือมันโดดไปจําชื่อไม่ได้ เรื่องพระเอกุทานเถระท่านเอกุทานเถระนี่พระพุทธเจ้าทรงปรารบแบบนี้เกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ท่านพระเชตวันมหาวิหารทรงปราลบพระขี่นาศพองค์หนึ่งอย่าลืมว่าพระขี่นาศนี่คือพระอรหรันต์นะเียมีชื่อว่าเอกุทานเถระ จะตามมาสาบรีโดยเอกุทานะเทระตัดวัฏฏามเทสนานี้ว่านะตาวตาธรรมะทะโรเป็นตนนี่เป็นเรื่องราวกังพระอนนท์ที่ทรงกลับที่ทรงตัดมาท่านบอกว่าได้ยินว่าพระเทระองค์นั้นอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งแต่ <c oughs> องค์เดียวท่านอยู่องค์เดียว อุทานที่ท่านกล่าวช่ำชองมิอุทานเดียวคือหมายความว่าท่านมีบทธรรมของท่านบทเดียวที่ประจำใจของท่านใ น, นเวลาเทศจึงเระเทศอย่างเดียวบทเดียวในชีวิตของท่านไม่ต้องเทศอะไรท่านอยู่คนเดียวเนี่ยจึงเอาเทศมาถึงวันอุโบสถถึงวันพระก็ตามเท่นานั้นลุกคนมันได้นั่งเทศคนเดียวใครจะฟังก็ไม่ฟังก็ไม่เดืองของคน แต่ว่าในที่นั้นไม่มีคนจะฟังท่านเองท่านก็ไม่ใช่คนท่านเป็นพระอาหารหันต์เพราะคนเขาแปลว่าอยู่พระอาหารหันต์เขาไม่อยู่ไม่กระทบกระทั่งใครแม้แต่วาจาดัานั้นพระองค์ น, นี้จึงเป็นพระจัดวัดดีที่สุดในพระพุทธศาสนาที่ผมว่าดีที่สุดนพระองค์อื่นไม่ดีเลย ก็ตอบว่าถ้ามีดีเท่ากันถือว่าดีที่สุดคือที่สุดในพุทธศาสนาคือความเป็นพระอระหันต์องค์ไหนเป็นพระอระหันต์องค์นั้นดีที่สุดองค์ไหนเป็นพระอนาคามีมดีรองลงมาองค์ไหนเป็นพระสิกาคามีก็มีดีรองลงมาองค์ไหนเป็นพระโสดาบันถือมีดีเบื้องตน้นถ้าบุคคลเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ยังไม่ถึงพระโสดาบันยังถือว่าดีจริงๆไม่ได้ก็ดีมั่งชั่วมั่งชั่วมั่งดีมั่งดีไม่ดีก็ชั่วมากดีมั่งเห็นจะพอมีนะ <c oughs> <c oughs> มีคนที่คนดีเขาเขานำชื่อว่าเป็นวงวานของพระพุทธเจ้านี่พวกคุมภากาาวพัพนะมีข่าวสู้ซ้ามามาปีสองพันห้าร้ยี่สิบสี่ กับยี่สิห้าบอกว่าผมเนี่ยมีเมียมีเมียเป็นสิบสิบลูกศิษย์ลูกหาที่มาฝึกกรรมฐ า, านผมเอาเป็นเมียหมดนี่เขาชื่อของเขานะีชื่อเขาเป็นวงวานพระพุทธเจ้าเลยแต่เนื้อแท้จริงวงวานพระพุทธเจ้าไม่พูดอย่างนี้แตอนี่ผมถือว่าเป็นวงวานของพระเทวทัตเอ๊ แต่ว่าเทวทัตท่านพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเลยไปกว่านั้นนะพระวาจาที่พระเอกุธานท่านตัดท่านตปลาลกของท่านถึงวันท้งก่เทศท่าน้าเนี่ยคุณเทพคุณจะพูดให้ฟังท่านบอกว่าความโสทั้งหลายย่อมไม่มีจะบุคคลผู้มีจิตมั่นคงและก็ไม่ประมาทเป็นมุนี ศึกษาในทางแห่งมนโนปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมือ่อนี่ท่านเทศได้เท่านี้เอาจริงพระอาหารหันต์นั้นเทศได้มากกว่านี้แต่อันนี้จำใจมันติดอกจิตใจของท่านความหมายก็มีความว่าความโสทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง มีจิตมั่นคงในเบื้องแรกก็ว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเอาแค่เบื้องต้นนะเรามีความเคารพในพระพุธะทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนเรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพระนิพพานเป็นที่ไปนี่เบื้องตน้นอันดับที่สองเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องตาย <c oughs> ชีวิตนี้ไม่ส่งตัวเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ และมีความมั่นคงในศีลมีพระนิพพานเป็นที่ไปพยายามกำจัดโลภะความโลภคือบนเ่าให้คลายตัวลงไปมากด้วยจจคารุสติกรรมฐานพยายามกำจัด <c oughs> ราคะคือความรักในระหว่างเพศคือของสวยงามด้วยกายยตานุสติกอสุปกรรมฐานสิบอย่าง พยายามบรรเทาความโกรธด้วยพมิหารสีหรือก็สีสีหือก็สีสแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวแล้วก็บรรเทาความหลงคิดว่าคิดว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดี <c oughs> ของบุคคลอื่นก็ดีของใส่ก็ดีวตัตถุท่ายก็ตามมันเต็มไปด้วยความสุขโปรกโศโครกไม่มีการจีรังอย่างยืนไม่มีการทรงตัวคลายความติดติดในมัน <c oughs> แล้วก็ตัดความต้องการในมนุษย์โลกที่ว่โลกเราเปมนุษย์โลกต้องการพระนิพพานอย่างเดียวนี่ความมั่นคงต่อไปอีกใกล้ถึงที่สุดก็คือตัดกรรมฉันทะคือความพอใจในความสวยสดงดงามทุกอย่างถ้าไม่เกิดความรู้สึกในจิต <c oughs> ด้วยกายข้าตาโนติเก้าสุปกรรมฐานบวกสักกายทิฏฐิ เห็นว่ามันไม่ดีมันเน่ามันเปื่อยมันพังถ้าภาวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องการมันเลยเห็นอะไรก็ตามไม่มีการอยากได้ไม่เกิดความรักแล้วก็ตัดโทสะคือปฏิฆาคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจโดยพรมีหา ร, 4, หรสี่แล้วก็เสี้ยนสี่บวกกายกาตานุสติขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่พอใจไม่ได้เป็นคุณมันเป็นแต่โทษ เป็นไฟเผาผลาญตามล้างผลาญจิตใจให้เมรุลมุ่นวายรือมีความเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้โยนทิ้งไปเลยหมดความรักในระหว่างเพศความสวยสดงดงามไม่มีเรื่องเกียดเหมือนกัะสุนนักเน่าที่เราต้องแบกเฮงความไม่พอใจมันไฟขึ้นมาโฉมชมใจเป็นเหตุให้เราร้อนหลังจากนั่นความดีถึงที่สุด ตัดดูบราคาและอรุบาคะไม่หลงในรูปในรูปฌานและอรูปฌานตัดมานะความถือตัวเ่ตนตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านความวุ่นวายต้องการนิพพานจุดเดียวและตัดอวิชชาความโง่ <c oughs> ที่เห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกน่าอยู่มนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่เป็นที่พอใจของเราตัดทิ้งไป อารมณ์ใจทรงอารมณ์อันดับเดียวคือพระนิพพานใจสบายมีความสุขไม่มีอารมณ์กระทบใจร่างกายมันจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ติดในร่างกายเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทุกระทั่งเข้ามาเป็นธรรมดาของการเกิดในโลกที่เราต้องมาเกิดกระทบกระทั่งแบบนี้เพราะเราเหลวเราหลงในกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรม นี่ผมก็ยายความไปมากนิดมีความมั่นคงตามนี้แล้วก็ไม่ประมาทไม่ยอมให้ความชั่วต่างๆกลับเข้ามาอีกเป็นมุนีคือผู้รู้รู้ในด้านดีทางเดียวจับมุนีเป็นผู้รู้ไอ้คําว่ารู้นี่หมายความรู้ดีรู้ไม่ดีอันนั้นที่ไม่ดีโยนทิ้งไปเก็บไว้แต่ความดี เหมือนเกลือและขาาความเล็มศึกษาในมนโนในทางแห่งมนโนปฏิบัติคือว่าทำจิตใจผ่องสายจากกิเลสไม่ยอมกิเลสนิดหนึ่งเข้ามาติดใจเป็นผู้คงที่คือไม่เสื่อมลงระงับแล้วเป็นผู้มีสติทุกเมื่อความรู้สึกสติสมบูรณ์แบบทุกอย่างปรากฏว่าถึงวันอโมสดท่านเป่าร้องการฟังทำเอง โอ้นี่เวลานี้ใครอยาฟังธรรมก็เชิญนะฉันจะเทศละแล้วก็กล่าวคาถานี้ว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีระบบคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งมนโนปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติสมบูรณ์พอกล่าวจบบรรดาเทวดาทั้งหลาย ที่ประชุมกันอยู่สาธุเสียงกล้องไปทั้งป่าเหมือนกับแผ่นดินจะสุดอย่างเงี้ยทุกวันท่านอยู่คนเดียวท่านเทศคนเดียวเทศบทเดียวเท่านี้ในชะีวิตของท่านท่านบอกว่าขั้นมามาเวลาวันหนึ่งบรรโวสดวันหนึ่งเป็นบรรโวสดก็มีพระผู้ทรงพระตรวีดกสองรูปเนี่ยเทนไม่นันเปล่า <c oughs> ทรงเฉพาะพระไตรปิฎกนะไหนความรู้มากเรียนมากแล้วก็มีบริวารองค์ละห้าร้อยองไปสู่สำนักของท่านบริวารมากเนี่คนสอบได้นักธรรมเอ ก, เ ป, ปกเป็นปริญญาเป็นปริญญาแหมมีความรู้เยอะแยะยากโยมเทิดทูนว่าเป็นท่านเป็นคนดีนี่ความรู้มากผมเองผมก็เทิดทูนเหมือนกัน แต่วงเทิดทูในความดีที่ท่านมีวิทยะสะาสาหะเรียนได้ดีแต่ก็ไม่เทิดทูในฐานะที่ท่านยังมีกิเลสส่วนไหนดีเรายอมรับนับถือส่วนไหนเชื่อชั่วตัว น, นั้นเราไม่ครบเราครบตอนที่ท่านดีก็ใช้งานได้ประโยชน์ท่านอุทานท่านก็กล่าบอกว่านี่พระคุณเจ้าทั้งหลายมาที่นี่คนดีผมชื่นใจมาก เป็นอนุนวาเป็นทําความดีแล้ววันนี้พวกกระผมจยากฟังธรรมในสำนักของท่านท่านบอกว่าพวกกับผมจะฟังธรรมในสํานักของท่านท่านเถิดแม่นาเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่เรียกเถิดแม่นาเปล่าเนะี่ยผมเรียกตามพระพุทธเจ้าธนูเดกไม่ได้ปรญนามบรรดาพิสุตัลหลายเหล่านั้นก็ถามว่าท่านผู้มีอายุ คือเทนไม่ลันเปล่าสองเทนถ้าว่าท่านผู้เมายุก็คนฟังทาที่นี่มีอยู่หรือท่านพระเอกูทายก็บอกว่ามีครับในราวป่านี้มีความมดลือนลั่นที่เวลาผมเทศแม้สาธุก็ไ ม, ม่เมียจนเหมือนกับป่าจะพังเหมือนกับแผ่นดินจะสุดเป็นการสาธุการเขงวรนดาเทวดาทั้งหลาย เมื่อฟังทำจบผมก็เทศได้หน่อยเดียวนิดนิดเดียวผมไม่มีความรู้อะไรมากเพราะบวชเข้ามาแล้วก็มันตั้งใจเรียนคันธารธุระต้องการวิปัสสนาธุระอย่างเดียวความรู้ไม่กว้างขวา ง, วางแต่อย่าลืมนะฟังก็ฟังไว้แต่ถ้าเป็นอรหันต์แล้วก็อย่าลืมนะขึ้นเชื่อความรู้ไม่กว้างขวางของพระอรหันต์ไม่มี แต่พระหันเท่านกรถ่อมตัวดังนั้นบรรดาพระทั้งหลายสองสององค์ก็เล่นทานี้พระบอบว่าเทระผู้สรงพระไตวิดกองหนึ่งเทระที่แปลพระบุใหญ่เูาเรียกเทนเฉยเฉยทําไมเจ้เทระไม่ก็อย่ถูกต้องควรจะเป็นเทนะหัวเขาโมยเ <c oughs> ขาโมยแต่ความดีที่จำแต่ไม่ทําความดี คือวันดาพระเถรองค์หนึ่งสวดสวดธรรมคือกล่าวธรรมสวดแบบที่เราบสวดเราสวดกันว่าสุนาทุมีพันเตสังฆูยติสังฆสัพะตะกันลังหรือว่ า, าธาสิมเมกาสิเมอะไรก็ตาม ท, าที่สวดมนุษย์กันเนี่ยสวยดเป็นแบบฉบับเป็นมาาบาลีเป็นอง ค, อค์กรคือเป็นตัวบาลี เลยอีกองหนึ่งก็กล่าวธรรมกล่าวธรรมคือเทศอธิบายคำสวดให้เกิดความเข้าใจเล่าก็เสคอแห้งเอสวดจบเทศจบเสียงเทวดาไม่ได้เสียงจงยิ้งหรีดก็ไม่เคยร้องสาธุการเงียบชีบรรดาพระธรรมกิึกพระทรงพระไตรปิฎกเห็นไม่ได้เปล่าสององค์จึงกล่าวว่า นี่หลงพี่อุทานเมื่อกี้ท่านบอกว่าเมื่อเทศจบเสียงสาธุการจากเทวดาที่ฝั่งธรรมในไพลส น, นี้รองเสียงสาธุการสาธุกึกกร้องไปหมดแต่วันนี้ไม่เห็นมีสักนิด <c oughs> แม้แต่เสียงจิ้งรี ก, ก็ไม่มีพระเอกอูทานนี่ก็บอกว่าเอ๊ะก็วันอื่นๆมีนี่ครับ <c oughs> ผมเทศหน่อยเดียวผมไม่มีความรู้มากพอจบกเสียงสาธุลันบางทีถ้าคุณท่านจะเทศนานไปเทวดาจะหลับหมดละมั้งท่านสององค์ก็บอกว่าเอาองนี้ก็แล้วกันท่านผู้มีอยู่ท่านลองเทศสิลงเทศดูก่อนกล่าวธรรมที่แต่งกล่าวทต่งกล่าวว่ายังไร <c oughs> ท่านก็บอกก่าผมมีหน่อยเดียวผมไม่มีอะไรมากกับเขาอะ ผมเรียนน้อยเข้ฟังมาปฏิบัติได้มรรคผ ล, ลก่อนเลิกกันต่้งประเทศกล่าวนะโมตสัสสะแสดงนมาสการสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอย่าลืมว่าพระอริยะนี่ถ้าไม่ทิ้งนโม <c oughs> ก็กล่าวคำว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมัน่นคงไม่ประมาทเป็นมมนี ศึกษาในทางปฏิบัติใช้มโนโปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติสมือเท่านี้แหละพี่บรรดาสาธุการกึกก้องเต็มเสียงปป่าเต็มป่าไปหมดกึกซ้อทุคลูนครันบรรดาพอเสียงดังแบบนั้นแล้วคัมภีรท่านท่านพระธรกมกถกือพือท่านไปร่งปติบิดกสองโอ ยังยกโทษว่าแม่เทว ด, ดาในภัยสนนี้ให้สาธุการเห็นกันหน้ากันเนี่ยเห็นกันหน้าพระเอกุทานเมื่อบิสุผู้ทรงพระไตรปิดกอย่างเราเป็นหนึ่งในตองอูไข่หนอที่อยทรงพระไตรปิฎกอย่างเราแม้กล่าวอยู่ท่างตั้งเยอะแยะก็ไม่กล่าวคำโมทนาสรรเสริญนี่อะไร ก็พระแก่องค์เดียวกล่าวคาถาบทเดียวเท่านั้นพากันในสาธุเสียงดังพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นไปถึงวิหารแ ล, ล้วกราบทูลพระความนั้นเดชสมเด็จพระพูทมีพระพ่าเจ้าฟังดูนะพระพุทธเจ้าท่าว่าอย่างไรสมเด็จพระพูทมีพระพ่าเจ้าจะใทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมาก หรือว่าพูดมากว่าเป็นผู้สรงธรรมเห็นไหมจำให้ดีนะทุนี้อันหนึ่งญาติโยมยี่จำได้ว่าสมเด็จพระพูทมีพระภาคกล่าวว่าภิสุทธิ์ทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือว่าพูดมากว่าเป็นผู้ส่งธรรมส่วนผู้ใดดีกระทาแม่คระาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจิ์ทั้งหลาย <c oughs> คือเป็นพระอรหันต์คนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้ยืนทรงแต่คะถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฟังธรรมแมนิดหน่อยย่อมเห็นธรรมด้วย น, นามกายบุคคลใดไม่ประมาทในธรรมบุคคลนั้นแลเป็นผู้ทรงธรรมจำให้ดีนะ ว่ารวมความว่าเวลานี้เราจะเห็นว่าบุคคลที่พูดมากพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปคําสอนของพระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ขอต่อนิดนิดท่านกล่าวว่าในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาชนเป็นนมากบรรลุอริยมรรคผลมากมายมีพระโสดาบดีว่าพิพระโสดาบดิผลเป็นต้นเรื่องท่านจบแค่นี้ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ย้อนอีกนิดหนึ่งว่าญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยเพื่อนพิสุสมเณีทั้งหลายด้ว ย, ย, วยฟังแล้วก็จงคิดว่าเวลานี้มีไหมคนที่เรียนมากแล้วก็พูดมากแต่ไม่มีความดีแม้แต่สินห้าทำลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การหลอกลวงคือถือผ้ากาสมวพัตร์เป็นทงชัยเที่ยวไปแรากาศว่าพระพุทธเจา้าเทศไว้ไม่เป็นเรื่องพระไตรปิฎกใช้ไม่ได้เข็นขึ้นมาทีหลังตายแล้วมีสภาพศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีพราไม่มีนิพพานไม่มีให้บริการหนึ่ง บางพวกก็ประกาศตัวว่าฉันสําเร็จนั่นเดินเรียนนี่จบนั่นฉันเป็นชั้นนั้นฉันเป็นยันนี้ไม่เคารพแม้แต่พระวิ น, นัย <c oughs> แล้วก็ขอท่านนั้นหลายจนทาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนั่นคืออย่าประนามพระที่มีเรียนมากเสียทุกโอที่ท่านเรียนมากและก็ดีมากก็มีถมไปบางท่าน ที่พราชาถวายยศถาบรรดาศักดิ์ถวายเข้ามาท่านก็รับรับประเด็การแสดงมุทุโมทุตาจิตคิดว่าท่านยกย่องก็ยอมรับแต่ว่าท่านไม่เมาในยศถาบรรดาศักดิ์วันที่ผมพูดนี่เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2527เวลานี้พระที่มียศเป็นสมเด็จ ถึงสมเด็จเลยนะแปลว่าท่านไม่เมาในยศมีอยู่ผมเองก็ย่อมไปกราบกราบท่านอยู่เสมอถามว่าผมกราบในฐานะเป็นสมเด็จหรือก็ขอบอกกันตามความเป็นจริงถ้าดีแค่ตาแหน่งสมเด็จผมไม่ไหวหรอกเพราะอะไรท่านเมาสมเด็จเนี่ยผมไม่ไหว ถ้าท่านเมาสมเด็จเราเข้าไปไม่ได้ไอ้พระก็จ้อยรรอยเ่างผมเข้าไปไม่ได้แต่ที่ผมเข้าไปผมบอกท่านแล้วว่าผมไม่ได้มาไหว้สมเด็จผมมาไหว้ความดีของท่านแต่ว่าสมเด็จท่านนั้นนั้นไม่ใช่องค์เดียวนะชื่ออะไรบ้างอยากให้ผมบอกเลยท่านก็บอกว่าผมไม่ได้มีดีอะไรคนประเภทนี้ที่ผมชอบไหว แต่ก็บอกเขามีดีมากแต่ผมไม่ไหวเพราะดีมากเขากล่าวว่าดีมากคือเร็วมากที่พระพุทธเจ้าทรงแต่เรบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นผานตาทาเขากล่าวว่าบุคคล น, นั้นเป็นบัณฑิต <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าผานเนี่ยแปลว่าโง่หากว่าท่านผูนใดท่กล่าวว่าท่านเป็นคนโง่เนี่ย ทั้งอย่างบรรดาสมเด็จหลายท่านพระราชาคณะหลายท่านนี่ผมไม่ได้เมาเพื่อท่านท่านก็ไม่ได้เมานายฐานาศัก์ท่านพวกนี้ถ้าไม่ยอมยกตนท่านว่ดีเลยแล้วต่อสู้อุปสรรคมันแหลกลานแล้วถูกเขาด่าบางังถูกเขาว่าบางังถูกเขากลั่นเขากแกล้งบงังจีปาทะท่านเป็นโรคเดียวกับผมอ่ะเพราะอะไรมห พ่าท่านนั้นหลายเหล่านี้ท่านไม่มีสตังติกระเป๋าท่านเห็นเงินท่านเห็นเงินของท่านที่เขามาถวายท่านยิ้มแล้วไม่ใช่ยิ้มเพื่อความร่ํารวยยิ้มว่าเอาละเงินสนนี้ดีแล้วฉันจะทําประโยชน์ในพุทธศาสนาให้มรดาราโยมพุทธบริษัทมีความสุขอันดับแรกคือสร้างอาคารสถานที่ให้คนนั่ง ส, สบาย เป็นที่ไปชมกันเป็นที่อาศัยบรรดาพิสุทธม์สมณีอยู่ในความเป็นสุขถ้าสิ่งนั้นเสร็จยังมีกิจอื่นที่ต้องบำรุงอีกมากมายในเรื่องของาศาสนาทำให้คนให้มีความสุขทางละด้านของทางธรรมนี่อย่างนี้ที่ถูกใจผมผมก็ปไปไหว้ท่านท่านจะเป็นพระโสดาบันทิาคานาคาร ห, หรือไม่ผมไม่คานึง ผมคำหนึงเฉพาะความดีของท่านฉะนั้นขอบันดาท่านทั้งหลายจงตั้งไว้ในความดีที่กล่าวมาแล้วของเมื่อกี้นี้ผมไม่ย้อนกลับเท่านั้นละ่ะท่านจะพ้นจากอบายภูมิอย่างเร็วที่สุดเราไปนอนพักแค่สวรรค์ก็ยังดีอย่าทำปากเสียจะทำกายเสียยิ่งทำใจเสีย อย่าเพ่นผ่านไปว่าคนนั้นเขาชั่วคนนี้เขาเร็วเรามันจะเร็วมากกว่าเดิมเอาล่ะรครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติปาแต่เพิมณ์ท่ น, นี้ขอลาก่อนเวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีเดียบรรดาเทพุทธศาเส้นนิข์ชนกญาติโยมผู้บริษัทที่รักทุกท่านสวัสดี